พระธรรมบทภาคที่สปุพภวกบน า, นาเสนอเรื่องที่12เรื่องครหัินพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราพรสาวกครองนิครนชื่อครหทินตราสพระธรรมเทศนานี้ว่า เถาสังการธานัสมิงเป็นต้นความพิสดารว่าในกรุงสาวัตถีได้มีชนผู้เป็นสายกันสองคนคือสิริคุตหนึ่งครานหินึ่งในสองคนนั้นสิริคุตเป็นอุบาสกคราหินเป็นสาวกของนิครนพวกนิครน ย่อมกล่าวกะคราดินนั้นเนืองๆอย่างนี้ว่าการที่ท่านพูดกะสิริคุดผู้สหายของท่านว่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทาไมท่านจะได้อะไรในสำนักของพระสมณโคดมนั้นดังนี้แล้วกล่าวสอนโดยอาการที่สิริคุดเข้ามาหาพวกเราแล้วจกให้เทจะทำแกพวกเราจะไม่ควรหรือ คราหะทินฟังคําของนิโครนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกับสิริคุตในที่ที่เขายืนและนั่งแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณะโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณะโคดมนั้นจะได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถวายทาน แก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรหรือสิริคุทแม้ฟังคำของขราชินนั้นก็นิ่งเฉยเสียหลายวันรำคาญแล้ววันหนึ่งจึงพูดว่าเพื่อนท่านหมั่นมาพูดกับเราในที่ที่ยืนแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านไปหาพระสมณโคดมแล้วอยากได้อะไรท่านจง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 เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวิจีกรรมมนุกรรมทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จักมีเหตุนี้จักไม่มีสิริคุตกล่าวว่าท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้ดังนี้ไม่ใช่หรือกระทินกล่าวว่ า, ราพระเป็นเจ้าพูดอย่างนั้น สิริคุตตา ว, ว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่พระพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้นับว่าทากำกรรมหนักแล้ววันนี้พระพเจ้าทราบอนุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วจงไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตามคำของพระพเจ้าขวาราทิ น, นั้น ไปสํานักของพวกนิครนไหวนิครนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าสิริคุตสหาหัยของพระพุทธเจ้านิมนต์ท่านเพื่อฉันวันพรุ่งนี้นิครนกล่าวว่าสิริคุตพูดกับท่านเองหรือคาราจินกล่าวว่าอย่างนั้นพระพุทธ เ, เจ้านิครนเหล่านั้นร่าเริงยินดีแล้วกล่าวว่าจิตของพวกเราสําเร็จแล้ว จำเดิมแต่การที่สิริคุธเลื่อมใสในพวกเราแล้วสมบัติชื่ออะไรจากไม่มีแก่พวกเราที่อยู่แม้ของสิริคุธใหญ่สิริคุธนั้นให้คนขุดหลุมยาวสองข้างในระหว่างเรือนสองหลังนั้นแล้วให้เอาคูดเหลวใสจนเต็ม ให้ตอกหลักไว้ในที่สุดสองข้างภายนอกหลุมให้ผูกเชือกไว้ที่หลักเหล่านั้นให้ตั้งเท้าหน้าของอาสนะทั้งหลายไว้บนเบื้องบนหลุมให้ตั้งเท้าหลังไว้ที่เชือกสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่นั่งแล้วอย่างนี้แหลพวกนิครณจะมีหัวปักตกลงให้คนลาดเครื่องลาดไว้เบื้องบนอาสนะทั้งหลายโดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏ ให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆแล้วให้ผูกปากด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าทำตุ่มเปล่าเหล่านั่นแหละให้เปื่อนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสยน้ำอ้อยและขนมในภายนอกแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือนขราชินรีบไปเรือนของสิริคุณนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าท่านจัดแจงสักการะเพื่อพระผู้เจ้าทั้งหลายแล้วหรือ สิริคุตตอบว่าเออสหายขรัพเปเจ้าจาักแจงแล้วพระราถินกล่าวว่าก็สักการะนั่นอยู่ไหนสิริคุตตอบ ว, ว่าข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั้นประมาณเท่านี้ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยใสยน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาสนะปูไว้แล้วพระาถินกล่าวว่าดีละแล้วก็ไป ในเวลาที่ครหะทินนั้นไปแล้วพวกนิครนประมาณห้าร้อยก็มาสิริคุตออกจากเรือนไหวพวกนิครนด้วยเบญจางคราบระดิตแล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นคิดว่าเนยว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นอุปถาของพวกท่าน บอกเจ้าร้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ถ้าพวกท่านย่อมรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของพระพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เรือนของพระพเจ้าแล้วข้าวต้มไม่มีเลยข้าวสวยเป็นต้นก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจักให้ตีครันคิดอย่างนั้นแล้ว จึงให้สัญญาจะพวบุรุษว่าพวกท่านรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้วยืนอยู่ข้างหลังพึงนําเครื่องลาดในเบื้องบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสียอาสนะเหล่านั้นอย่าเปื้อนแล้วได้ของไม่สะอาดเลยครั้งนั้นสิริคุทพูดกับพวกนิครนว่านิมนต์มาข้า้งนี้เถิดขอรับพวกนิครนเข้าไปแล้วก็ปรารบ เพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าจงรอก่อนขอรับจงอย่านั่งก่อนนิครนกล่าวว่าเพราะอะไรมนุษย์เรียนว่าการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกราระเจ้ารู้ธรรมเนียมแล้วจึงนั่งย่อมสมควรนิครนกล่าวว่าทำอย่างไรจึงควรเล่าท่านมนุษย์กล่าวว่า การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแจ่ตนแจ่ตนแล้วนั่งลงพร้อมกันทีเดียวจึงควรได้ยินว่าสิริคุณนั้นให้ทําพิธีนี้ก็ได้คิดว่าเมื่อนีิครนคนหนึ่งตกลงในหลุมคูดแล้วนี่ครนที่เหลืออย่านั่งแล้วนี่ครนเหล่านั้นกล่าวว่าดีและคิดว่าการที่พวกเราทําตามถ้อยคํา ที่คนพวกนี้บอกแล้วสมควรครั้นนั้นนิครนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแล้วแจ่ตนแจตนโดยลําดับลําดับนั้นพวกมนุษย์กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงรีบนั่งพร้อมกันทีเดียวขอรับรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้ว จึงนำเครื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออกพวกนิครนนั่งพร้อมกันทีเดียวเท้าอาสนะที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกแล้วพวกนิครนหัวขมัม่มตกลงในหลุมสิริคุตเมื่อพวกนิครนเหล่านั้นตกลงแล้วจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิครนที่ตะกายขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้พูดว่าพวกท่าน ไม่รู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะเหตุไรเลยบอกว่าการทําเท่านี้จะสมควรแก่พวกนิครเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงให้เปิดประตูพวกนิครเหล่านั้นออกแล้วป่ารบเพื่อจะหนีไปก็ในทางไปแห่งพวกนิคร น, นั้นสิริคุตให้คนทําพื้นที่อันทําบริกรรมได้ปูนขาวไว้ให้ลื่นสิริคุตให้คนโบยซ้ําพวกนิคร น, นั้น ผู้ยืนอยู่ไม่ได้ในที่นั้นล้มลงแล้วล้มลงแล้วจึงส่งไปได้วยคําว่าการทําเท่านี้พอแจ่ท่านทั้งหลายนี่ครหล่านั้นกล้ามกลวนอยู่ว่าพวกเราอันท่านให้ฉิบหายพวกเราอันท่านให้ฉิบหายได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปชากแล้ว ระหัทถินเห็นประการอันแปลกนั้นของนิครนเหล่านั้นแล้วโกโรธคิดว่าเราอันสิริคุดให้สิบหายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราผู้เป็นบุญญาเขตผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้งหแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เหยียดมือออกว่ายอยู่ตามความพอใจให้ถึงความสิบหายแล้ว จึงไปยังราช ก, กูลกราบทูลให้พระราชาทรงทําศินหมแ่แจกสิริคุณนั้นหนึ่งพันกหาปณะนะครั้งนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปแจกสิริคุณนั้นสิริคุณนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระองค์ทรงสอบสวนแล้วจักปรับสินหมาได้ยังไม่ได้ทรงสอบสวนอยากปรับพระราชาตรัสว่า เราสอบสวนดูแล้วจึงจักปรับสิริคุธทูลว่าดีละพระเจ้าข่าถ้ากระนั้นจงปรับเถิดพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นจงพูดสิริคุธกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งต้นแต่เรื่องนี้ว่าพระเจ้าค่าสหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของนิครนเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวอย่างนี้เนือ ง, งในที่ ที่ยืนที่นั่งเป็นต้นว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณะโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณะโคดมนั้นจะได้อะไรดังนี้แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าถ้าการปรับสินใหมในเพราะเหตุ น, นี้ควรแล้วขอจงปรับเถิดพระราชาทอดพระเนตรขราชินแล้วตรัสว่านายว่าเจ้าพูดอย่างนั้นจริงหรือ คราชินทูลว่ายิงพระเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าเจ้าคบพวกนี้ครนผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่านี้เที่ยวไปอยู่ได้คิดว่าเป็นครูบอกแกสาวกของพระสถาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างเพราะเหตุไรสินไหมอันเจ้ายกขึ้นปรับจงมีใจเจ้าเองเถิดขราชินนั่นแหลอันพระราชาทรงปรับศินใหมแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้พวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของขราชินนั้นนั่นแหลอันสิริคุดโบยไล่ออกแล้วขราชินนั้นโกรธสิริคุดนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่พูดกับด้วยสิริคุดเป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าการเที่ยวไป โดยอาการอย่างนี้ไม่ควรแก่เราการที่เราทําความชีบหายแม้แต่พวกภิกษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริคุตนั้นย่อมควรดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาสิริคุตกล่าวว่าสหายสิริคุตสิริคุตถามว่าอะไรสหายคราหทินกล่าววา่าธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะ ก, กันบ้างวิวาสกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไร เพราะเหตุอะไรท่านจึงทําอย่างนั้นสิริคุตกล่าวว่าสหายครับพระเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับพระพเจ้ากรรมใดอันพระพเจ้าทาแล้วกรรมนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิดเราทั้งสองจักไม่ทําลายไมตรีกันจําเดิมแต่การนั้นสายทั้งสองย่อมยืนย่อมนั่งในที่แห่งเดียวกันต่อมาในการบันหนึ่งสิริคุต กล่ากะคราชินว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนี้โกรนเล่าท่านเข้าไปหาพวกนี้คนเหล่านั้นจะได้อะไรการเข้าไปหาพระศ า, ศาสดาของเราก็ดีการถวายทานแกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแกท่านหรือแม้คราชินนั้นย่อมหวังเหตุนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําพูดของสิริคุณนั้นจึงได้เป็นเหมือนการเก่า ที่แผลฝีด้วยเล็บแม้ขรรชินนั้นถามสิริคุตว่าพระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรสิริคุตตอบว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นเชื่อว่าสิ่งอันพระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระศาสดาของเรานั้นย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกําหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการสิหอย่างได้ขรรชินกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่บอกแกข่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากระนั้นท่านจงไปจงทูลนิ ม, มนต์พระศ า, าสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจักให้เสวยท่านจงกราบทูลเพื่อส่งรับภิกษุของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปสิริคุตเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาถาวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างนี้ว่าพระจงข้าคราหัตินสหายของข้าพระองค์สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์ทราบว่าขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของคราหัตินั้นพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปในวันพรุ่งนี้ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้อันข้าพระองค์ทําแล้วแกพวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของคราหัตินั้นครับพระองค์ ย่อมไม่ทราบแม้การทำตอบแจกกรรมอันข้าพระองค์ทำแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่ขราชินนั้นใครจะถวายภิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วหากสมควรจงทรงรับหากไม่สมควรทรงอย่ารับพระศาสดาทรงพิจารณาว่าขราชินนั้นใครจะถวายแก่เราหรือนอแหล ได้ทรงเห็นว่าขราชินนั้นให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเคียนมาประมาณ80สิบเล่มกวียนจุดไฟแล้วต้องการจะให้เราตกลงในหลุมทันเพลิงและขมขีทรงพิจารณาอีกว่าเพราะเราไปในที่นั้นเป็นปัจจัยประโยชน์จะมีหรือไม่มีหน้อแหล่ลำดับนั้นได้ทรงเห็นเหตุ น, นี้ว่าเราจะเหยียดเท้า บนหลุมฐานเพลิงเสื้อลำแผ่นที่วางบนดลุมฐานเพลิงนั้นจากหายไปดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อจากผุดขึ้นทําลายลุมฐานเพลิงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเหยียบกรีบบัวไปนั่งบนอาสนะพิสูธาห้าร้อจากไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจากประชุมกันเราจะทําอนุโมทนาด้วยคาถาสองคาถาในสมาคมนั้น ในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้ธรรมจากมีแก่สัตว์0 4 0สพันิริคุธและขราชินจักเป็นโสดาบันจากหวานกองทรัพย์ของตนของตนในศาสนาการที่เราอาศัยกุลบุตรนี้ไปย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงทรงรับภิกษาสิริคุธทราบการรับของพระศาสนาแล้วจึงบอกแก่ขราทินและบอกว่าท่าน จงทำสักการะแจ่พระโรคกเชษดคราถิมคิดว่าบัดนี้เราจะรู้จิตที่ควรทำแจ่พระสมณโคดมนั้นจึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเคียนมาประมาณ80สบเล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนอย่างรุ่งแล้ว ให้ทำกองฐานเพลิงไม้ตะเขียนไว้วางไว้เรียบบนปากหลุมให้ปิดด้วยเสื่อลำแผนให้ทาด้วยโคลไม้ลาดท่อนไม้ผุไว้โดยข้างหนึ่งแล้วให้ทำทางเป็นที่ไปสาคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกพระสมณะเหยียบแล้วเหยียบแล้วอย่างนี้เมื่อท่อนไม้ทั้งหลายหักแล้วพวกสมณะจะกลิ้งตกไปในหลุมฐานเพลิงให้ตั้งตุ่มไว้ในภาคแห่งหลังเรือน โดยวิธีที่สิริคุทตั้งแล้วเหมือนกันให้ปูแม่อาสนะทั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันสิริคุตไปเรือนของพรราชินนั้นแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าสหายท่านทำสการะแล้วหรือพราชินกล่าวว่าเออสหายสิริคุตถามว่าก็สการะนั้นอยู่ที่ไหนขราชินตอบว่าจงมาจะดูกันแล้วแสดงของทั้งหมดโดยวิธีที่สิริคุตแสดงแล้วเหมือนกัน สิริคุตกล่าวว่าดีละสหายมหาชนประชุมแล้วก็มือพระศาสดาอันคนผู้มิจชาทิฐินี่หมดแล้วการประชุมใหญ่ย่อมมีฝ่ายพวกมิจชาทิฐิย่อมประชุมกันโดยคิดว่าพวกเราจากเขียนประการอันแปลกของพระสมณะโคดมฝ่ายพวกสมาธทิฏฐิย่อมประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระศาสดาจกทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างใหญ่ พวกเราจักกำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสด็จไปประตูเรือนของขราถินกับภิกษุ500ร้อคโรขราถินนั้นออกจากเรือนแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคราบรดิบยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องพระพัก ค, คิดว่าพระเจ้าขา่าอุปทาของพระองค์บอกจะข้าพระองค์อย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระองค์ยอมทรงทราบเหตุทุกอย่าง ต่าโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมทรงกําหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการสิหอย่างได้ท้าพระรงทรงทราบอยู่ขอพระรงย่าเสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระรงเพราะเมื่อพระรงเสด็จเข้าไปแล้วข้าวยาโคไม่มีเลยพัดเป็นต้นก็ไม่มีก็แลข้าพระรงจากอย่างท่านทั้งหมดให้ตกลงในลุมฐานเพลิงแล้วคม่มฉี่ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว จึงรับบาดของพระศาสดากราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จมาทางนี้แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศาสดาตรัสว่าทำอย่างไรจึงควรเล่าท่านคราทินกราบทูลว่าในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเข้าไปข้างหน้านั่งแล้ว ภิกษุอื่นมาในภายหลังจึงควรได้ยินว่าพระาชินนั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วจกไม่มาเราจะให้ภิกษุตกลงทีระรูปทีล ร, รูปเท่านั้นแล้วข่มขีพระศารสดาตรัสว่าดีละแล้วเสด็จไปแต่พระองค์เดียวขราชินถึงหลุมฐานเพลิงแล้วถอยออกไปยืนอยู่กราบทูลว่า ขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระเจ้าข่าลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระบาทลงเนื้อลุ่มฐานเพลิงเสื้อลำแผนหายไปแล้วดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดขึ้นทําลายลุ่มฐานเพลิงพระศาสดาทรงเหยียบปลีบบัวเสด็จไปประทับนั่ง ลงบนพุทธอาฏที่เขาปูลาดไว้แม่พิสุทั้งหลายก็ไปนั่งบทอาสนะอย่างนั้นเหมือนกันความเร่าร้อนตั้งขึ้นแต่กายของขราชินแล้วเขาไปโดยเร็วเข้าไปหาสิริคุตบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริคุตกล่าวว่านี่อร่อยกันขราชินกล่าวว่าข้าวยาคูหรือพัทเป็นต้น เพื่อภิกษุห้าร้อยรูปไม่มีในเรือนข้าพเจ้าจะทําอย่างไรน้อแลสิริคุตกล่าวว่าก็ท่านทําอะไรไว้คราชินตอบว่าข้าพเจ้าให้คนทำหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังเต็มด้วยฐานเพลิงด้วยหวังว่าจากให้พวกภิกษุตกไปในหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วขมขี่ทีนั้นดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นทําลายหลุมฐานเพลิงนั้น พิสูจทั้งหมดเหยียบกลีบบัวเดินไปนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้บัดนี้ครัพรเจ้าจะทําอย่างไรสิริคุตกล่าวว่าท่านแสดงแก่ครัพรเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าตุ่มข้าวยาคูเท่านี้ตุ่มพัดเป็นต้นเท่านี้มิใช่หรือคาราทินตอบว่านั้นเท็สนายตุ่มเปล่าทั้งนั้นสิริคุตกล่าวว่าช่างเถิดท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยาคูปเป็นต้นในตุ่มเหล่านั้น ในขณะนั้นนั่นเองข้าวยาคูในตุ่มทั้งหลายใดอันขราินนั้นบอกแล้วตุ่มล่านั้นเต็มด้วยข้าวยาคูแล้วพัดเป็นต้นในตุ่มล่าใดอันขราินบอกแล้วตุ่มล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเป็นต้นเทียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นสรีร่าของขราชินเต็มด้วยปีติและปราโมทแล้วจิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดภิกษุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกโดยความเคารพใครจะให้ทรงทำรรอนุโมทนาจึงรับบาตรของพระศาสดาผู้ทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทาอนุโมทนาตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเรา และแห่งพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจักสุนั่นเองสัตว์ผู้เว้นปัญญาจักสุชื่อว่าผู้มืดผู้มีปัญญาชื่อว่ามีจักสุดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองหยาดเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดังกองอยากเยื่อเกิดแล้วย่อมภัยโรดล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบ่นว่าสังการธานัสมิงคือในที่ทิ้งอยากเยื่ออธิบายว่า ในกองอยากเยื่อสองบทว่าอุทิเตสมิงมห้าประเทศคืออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่บทว่าสุกิคันทางคือมีกลิ่นหอมบทว่ามโนระมังมีวิเคราะห์ว่าใจา ย, ย่อมเย็นดีในดอกบัวนี้เหตุ น, นั้นดอกบัวนั้นชื่อว่าเป็นที่เรื่อนรมแห่งใจบทว่าสังการะูเตสุคือเป็นดังอยากเยื่อ บทว่าปุถุชนีความว่าซึ่งโลกียักมหาชนทั้งหลายผู้มีชื่ออันได้แล้วอย่างนั้นเพราะยังกิเลสหนาให้เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึงเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่แม้ไม่สะอาดหน้าเกลียดปฏิกูลดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจคือพึงเป็นของหน้าใคร พึงใจได้แก่พึงเป็นของควรปริสถานไว้เนื้อกระหม่อมแห่งอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและม้าอัมมาศของพระราชาเป็นต้นชื่อฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือภิกษุผู้ขีนาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อปุถุชนแม้เป็นดังกองอยากเยื่อเกิดแล้วแม้เกิดในระหว่างแห่งมหาชน ผู้ไม่มีปัญญาไม่มีจักสุย่อมไภโรดล่วงด้วยกำลังแห่งปัญญาของตนเห็นโทษในการทั้งหลายและอนิสงในการออกบวชออกบวชแล้วย่อมไภโรดล่วงแม้ด้วยคุณสักว่าการบรรพชาแม้ยกตนขึ้นสู่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะยิ่งกว่าคุณสักว่าบรรพชานั้น ก็ย่อมไพยโรดล่วงคืองามล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้รมได้มีแล้วแกสัตว์แปดหมืนสี่พันคราชินและสิริคุธบรรลุโซดาปฏิผลแล้วสองคนนั้นหวานทรัพย์ของตนทั้งหมด ลงในพระพุทธศาสนาแล้วพระาศาสดาได้เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายยังกระถาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นว่าน่าเลื่อมใสธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์ดอกบัวผุดขึ้นทําลายกองฐานตะเคียนชื่อเห็นปานนั้นแล้วพระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิษุททั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกัน ด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อพิกษุทธ์ทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ดอกบัวผุดขึ้นแต่กองฐานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในการก่อนดอกบัวเหล่านั้นก็ผุดขึ้นแล้วเพื่อเราแม้ผู้เป็นโูธิสัตว์เป็นไปอยู่ในประเทศสยาม อันพิสุจเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่าในการไรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกจะข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้แล้วสมงนำอดีตนิทานมาข้ที่รังคาราชาดกนี้ให้พิสดารว่าเรามีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องต่ำจะตกลงสู่เหวโดยแท้เราจักไม่ทำกรรมอันมีใช่ของพระอริยะเชิญท่าน รับก้อนข้าวเถิดดังนี้แหละเรื่องราชินจบบุพภวนรณาจบวักที่สี่จบ